4. การภาวนาพลิกได้4ี่แบบการภาวนาพลิกได้4แบบคือแบบที่1รู้ลมหายใจหรือรู้ท้องพองยุบแล้วขาดสติเคลิบเคลิมลืมเนื้อลืมตัวใจลอยไปหรือหลับไปเลยฝันหรือแอบไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้สมถกมมะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีแบบที่สอง รู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้มือรู้เท้ารู้กายทั้งกายรู้อย่างสบายสบายแล้วใจก็เกาะสบายสบายอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมีความสุขได้สมถะแบบที่สามเมื่อเราหายใจอยู่เราเห็นร่างกายหายใจมีใจเป็นคนดูเราดูท้องพองยุบอยู่ เราเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบมีใจเป็นคนดูอยู่ตั้งหากหรือขยับมือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวมีใจเป็นคนดูเห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันแยกรูปแยกนามออกมาอันนี้เป็นต้นทางของการทำวิปัสสนาเพื่อรู้กายถ้าเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเห็นว่าร่างกายนี้หายใจรูปนี้มันกระเพิ่มเข้ากระเพื่อมออกรูปนี้มีธาตุไหลเข้าไหลออกมีใจเป็นแค่คนรู้คนดู สิ่งที่กาลังหายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงวัตถุก้อนธาตุใจมันรู้สึกเลยว่าที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราวัตถุมันกำลังกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมีแต่ธาตุกับธาตุทั้งนั้นเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์การที่เรารู้ลงมาในกายแล้วเห็นว่ากายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปรธรรมอันหนึ่งหรือเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เราถอดถอนความเห็นผิดว่ากายเป็นของเรานี่คือการทำวิปัสสนาด้วยการรู้กายแล้วก็มีจิตเป็นคนดูตรงนี้ต้องระวังนะหลายคนไปรู้กายแต่ไม่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไหลไปรวมอยู่ในกายไปรู้ลมหายใจจิตก็ไปรวมเข้ากับลมรู้ท้องจิตก็ไปรวมเข้ากับท้อง รู้เท้าจิตก็ไปรวมอยู่ที่เท้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างนี้ได้แต่สมถะแต่ถ้าจิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรานะจิตใจเป็นแค่คนรู้คนดูกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าเห็นอย่างนี้ถึงจะทำวิปัสสนาได้ถ้าเดินตามแนวของวัดป่าห้ามทิ้งสมถะเพราะท่านจะดูกาย การดูกายต้องมีสมาธิหนุนหลังเพราะในอภิธรรมสอนว่ากายานุปัสสนาเหมาะสำหรับสมะทะยานิกเหมาะกับคนเล่นฌานต้องฝึกจนรู้ว่าลมหายใจและท้องพองยุบเป็นสิ่งที่ถูกรู้คนไหนเริ่มต้นจากการดูจิตก็ดูไปเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยนี่แยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันตามแนววัดป่าต้องรู้จักจิตผู้รู้ จิตผู้รู้ตรงข้ามกับจิตผู้หลงจิตของคนในโลกนี้มีแต่จิตผู้หลงหลงคิดหลงนึกหลงปรุงแต่งจิตผู้รู้ก็คือจิตที่รู้ทันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นกุศลเห็นอกุศลผ่านมาผ่านไปมีจิตเป็นคนดูไม่เข้าไปก้าวกายต้องมีจิตอย่างนี้ถึงจะไปทาวิปัสสนาแล้วเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตรู้ ถ้าสติตัวจริงเกิดง่ายนิดเดียวแบบที่สี่หายใจไปดูท้องพองยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดไม่ห้ามมันแต่ให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วหายใจต่อไปอีกจิตไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเข้าไปเพ่งรู้ทันว่าจิตเพ่งลมหายใจแล้วดูท้องจิตก็เข้าไปเพ่งท้องให้คอยรู้ทันไว้หายใจไปเรื่อยๆจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติมีความสุขรู้ว่ามีความสุข มีอุเบกขารู้ว่ามีอุเบกขาหายใจแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจแล้วสบายใจก็รู้ว่าสบายใจหายใจแล้วหงดหงิดก็รู้ว่างดหงิดหายใจแล้วจิตใจเป็นอย่างไรคอยรู้ไปเรื่อยๆนี่คือการหัดดูจิตนั่นเองถ้าเราดูจิตด้วยการหายใจในที่สุดจิตมันจะจำสภาวะของจิตได้เยอะแยะเลยเผลอไปก็รู้ว่าเผลอเผลอเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้ ดีใจเสียใจสุขทุกข์กังวลโลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้พอจิตมันจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเองสติจะเกิดขึ้นเพราะจิตจําสภาวะได้ในอภิธรรมสอนว่าสติมีการจําสภาวะได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รู้สภาวะนะทํากรรมาฐานขึ้นมาอันหนึ่งแล้วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยไม่ใช่ทําเอานิ่งนะทําเอานิ่งมันเป็นแบบที่สองได้สมถะ ถ้าทำแล้วเคลิ้มเคลิ้มลืมตัวได้แบบที่หนึ่งจะทำให้กิเลสโมหะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นใช้ไม่ได้อย่างน้อยต้องได้แบบที่สามคือเห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแบบที่สี่ความรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจคอยรู้มันเรื่อยๆพอรู้มันเรื่อยๆเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เช่นเราเห็นเพื่อนเราเดินมาเราดีใจเห็นความดีใจผุดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่ใช่ไปกำหนดดูประสาท ต, ตาถ้าอย่างนั้นไม่มีดีใจใช้ไม่ได้